ข้อความในกุตการนิกายอิติวุตกะตอนนะครับมละสูตรข้อ268กดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายอากุสุลธรรมสามประการนี้เป็นมนทินภายในคือมนทินของจิตเป็นอา m i t ภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆ่าศึกภายใน3ประการเป็นไหนคือโลภะหนึ่ง โทสะหนึ่งโมหะหนึ่งดูการพิสูจนทั้งหลายอากุสุลธรรมสามประการนี้แลเป็นอา mith เป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตเป็นฆาศึกภายในออืเลี้ยงกันมานานเนาะเลี้ยงอา mith นะนะเลี้ยงผู้ที่ไม่ใช่มิตรคือโลภะโทสะโมหะเนี่นะครับเลี้ยงคนที่เป็นศัตรูเลี้ยงเพชฌฆาตเอาไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงฆาศึกนะครับ อ, อ๋ไม่ได้เจตนานะครับมันฆาดีนักแลนะครับ และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าโลภะนะครับคือความโลภเนี่ยนะให้เกิดความชิบหายความโลภทำจิตให้กาเริบชนไม่รู้สึกความโลภนั้นอันเกิดแล้วในภายในว่าเป็นภยัยคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์คนโลภนะครับย่อมไม่เห็นธรรมนะเรียกว่าคำนวณบอกว่าคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรม โลภะครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นนี่ก็เป็นคาถาที่ควรทรงจำนะครับไปท่องเอาไว้นะครับเวลาโลภะเกิดก็สาทยายเลยผู้ใดละความโลภได้ขาดย่อมไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภอันพระอระยะิยมรรยย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนหยดน้า ตกไปจากใบบัวฉะนั้นนะถ้าหากว่าผู้ที่บําเพ็ญอริยมรรคละโลภะได้นี่นะก็เหมือนกับน้ําที่ตกจากใบบัวเนี่ยนะไม่ติดไม่ซึมไม่ซาบอยู่เลยนะครับอันนี้ความโลภ น, นะโลภนี่ทําให้ชิบหายความโลภเนี่ยทำจิตให้กําเริบแล้วก็มันเป็นภัยที่เกิดในภายในเวลาโลภก็ไม่เห็นอัตตอะไรเลยนะครับอัตตะ ในโลกนี้เป็นต้นนี่นะอัตถาก็คือประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเป็นต้นไม่เห็นสักางแล้วก็ไม่เห็นธรรมะเพราะฉะนั้นพอความโลภมันเกิดเนี่ยมืดหมดเลยนะครับมืดในทางพระอริยเจ้านะแต่สว่างสวัยในทางวัตถานะนะนนนะเช่นความโลภเนี่ยนะครับเวลาเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนี่ใช่ไหมครับ ชนอกุศลวิตตกโลภะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะในทางสมถะภาวนาในทางบําเพ็ญสมณะธรรมเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะแต่ถ้าในทางเที่ยวมาในทางสังสรรค์เข้าเมืองชมโน่นชมนี่นะครับมันมองเห็นสว่างสวัยไปหมดนะนะเขาบอกว่าสว่างสวัยในทางที่ไม่ควรไปนะครับแต่มันมืดในทางที่ควรเดินอย่างงี้นะครับโทสะให้เกิดความชิบพายโทสะทําจิตให้กําเริบ ชนไม่รู้จักโทสะอันเกิดว่าเป็นภายในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมโทสะครอบความโกรธเนี่ยนะครับครอบงำนรชนในขณะใดความมือเตอร์ย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดละโทสะคือความโกรธได้ขาดย่อมไม่ประทุสร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุสรายนะรโทสะอันพระ อันอริยมรรย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วเช่นั้นนะครับหลุดออกจากที่เลยนะครับไม่ไม่เอาไปแปะอีกก็ไม่ติดนะครับถ้าไม่ไม่ติดกาวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าธรรมดาแล้วไปแปะอีกก็ไม่ติดแหละครับหลุดในว่างั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญระดับอนาคามีมรรยก็หลุดจากความโกรธเหมือนตาลหลุดจากขั้วว่างั้นนะนะอุปมานี้เวลาเห็นผลตาลที่หลุดจากขั้วก็นึกถึงพุทธพจน์ตรงนี้ก็ได้นะครับ เห็นหยาดน้ำที่ไม่ติดในใบบัวข้างๆพระเจดีนี่ก็เอาสูตรนี้ไปใายก็ได้นะครับก็ <c ười> ค่อยๆระลึกอ้พอพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้โมหะให้เกิดความชีพหายโมหะทําจิตให้กาเริบชน <sh und> ไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิด <m> oh <a> ในภายในว่าเป็นภัยคนหลงย่อมไม่รู้จักอัดคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมโมหะนี่นะครับครอบงานรชนในขณะใด ความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดละโมหะได้ขาดย่อมไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงบุคคลนั้นย่อมกำจัดความหลงได้ทั้งหมดเปรียบเหมือนพระอาทิตย์อุทยัยขจัดความมืดฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นโลรัศมีสว่างสวัยก็นึกถึงสูตรนี่นะครับ ว่าโอ้อารยมรักเนี่ยจะกําจัดความมืดเหมือนอุทิศอาทิตย์อุทัยเนี่ยมันขึ้นม า, าไม่มีไม่มีมืดให้เลยนะครับเพราะว่ามองเห็นไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะอนุภาพของอารยมรักษว่างั้นแหละอันอารยมรักษ์กจัดความโลภเหมือนหยาดน้ําไม่ติดในใบบัวหรือครับก็ต้องดูถ้าอารหัตมรักนะครับจึงจะละโลภได้เด็ดขาดอนาคามีมรักษละโทสะได้เด็ดขาด อรหัตตมักละโมหะได้เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ก็ความในมัลสูตรนะครับอธถกถานะครับบทว่าอันตราศพขยายอันตราศพเนี่ยนะอันตราศพนั้นมีหลายความหมายนะครับอันตราศพนี่มีความหมายว่าเหตุก็มีมีความหมายว่าขณะก็มีมีความหมายว่าช่องก็มีนะครับมีความหมายว่าผ้าห่มก็ม <out zers> ีมีความหมายว่าจิตก็มีนะครับ มีอยู่ห้าในด้วยกันยกตัวอย่างนะครับอันตราศพที่มาในเหตุเช่นประโยคเป็นต้นว่าชนทั้งหลายย่อมประชุมสนทนาการที่ฝังแม่น้ำในที่โรงพักในสภาและในถนนส่วนเราและท่านมีอะไรเป็นเหตุระวังนนอันนี้มาในเหตุอันตรานี่นะครับอันตราตรงนี้แปลว่าเหตอุอีกที่หนึ่งนะครับอันตรานี้แปลว่าขณะเช่นประโยคเป็นต้นว่าข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญหญิงคนใดคนหนึ่งกําลังล้างภาชนะอยู่ได้เห็นข่าพระองค์ในขณะฟ้าเลบว้งนะเนอันนี้แปลว่าขณะนะครับอันตราศัพท์แปลว่าขณ ะ, ขณะครับพระที่ไปบินธวาด น, นะครับอีกที่หนึ่งนะครับแปลว่ามาในช่องเหมือนประโยคว่าทานน้ํำร้อนไหลออกมาจากช่องนรกใหญ่สองขุมนะครับระวังนะระวางนี่แปลว่าช่องนะ ระหว่างานารกสองขุมนะน้ำที่มันไหลผ่านนั่นนะแปลว่าช่องนะครับบางทีก็แปลว่ามาในผ้าหม่มอย่างในวิมานวัตถุว่าดูก่อนนางเทพพัทดาผู้มีผ้านุ่งผ้าหม่มและทงอันล้วนแล้วแต่สีเหลืองประดับประดาด้วยเครื่องอลังการสีเหลืองเธอถึงจะไม่ได้แต่งไม่ได้ตกแต่งด้วยผ้าเหลืองเลยก็งดงามตามธรรมชาติอันนี้ก็แปลว่าผ้าห่มนะครับอันตราศัพเนี่ยนะ อีกที่หนึ่งอันตราศพท์นี้แปลว่ามาในจิตมีมาในจิตเช่นประโยคเป็นต้นว่าจิตของผู้ใดไม่มีความกาเริบนะครับแต่ในที่นี้อันตรานี้ก็คือในจิตนะครับในที่นี้เพิ่งทราบว่าอันตราศพท์ในความหมายว่าในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอากุศลธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอันตราเพราะมีภายในจิตนะคือมีภายในจิตนะอกุศลเนี่ยนะมันเป็นอันตรา จะแปลว่าอันตรายก็ได้อันตรายในภายในนะครับอันตรายที่มีอยู่ในจิต น, น, นะนะเชื่อว่ามนทินเพราะทําความมัวหมองให้แก่สันดานที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ทําความเศร้ามองให้แก่สิ่งนั้นเหมือนกับสนิมนี่นะครับมันก็ทําความมัวหมองให้กับเหล็กทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นความเหงื่อใครเป็นต้นก็ทําความมัวหมองให้แก่ผ้าเป็นต้นเนี่ย น, นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโลภะโทสะโมหะนี่ก็เป็นมนทินเพราะทํา จิตและเจตสิกเป็นต้นทำจิตตสันดานขันทสันดานให้มัวหมองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางตามองเห็นแล้วโลภะโทสะโมหะเกิดในความคิดในชวนะขณะนั้นตานี i ก็มัวหมองแล้วนะครับตาก็ถือว่าไม่สํารวมแล้วนะครับเศ้ามองไปแล้วนะครับทวารอื่นๆก็ในย่าเดียวกันนะเมื่อมองเห็นหูได้ยินเสียงโลภะโทสะโมหะเกิดหมองอีกแล้วนะครับหายใจเข้านะครับก็หมองอีกถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดเวลาดมกลิ่น หรือว่ารับรู้รถทั้งหลายแหล่เป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนึกคิดทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะขึ้นชื่อว่ามนทินในบทว่าอนะันตรามลานั้นน่ะมีอยู่2 อ, อย่างคือมนทินของร่างกายและมนทินของจิตใจความเศร้าหมองทางกายแล้วก็ความเศร้าหมองทางทางใจนะครับในสองอย่างนั้นมนทินของร่างกายก็ได้แก่เหงื่อใครเป็นต้นเกิดแล้วในร่างกายนะครับ พวกละอองทุลีที่เปลิวมาจับอยู่ในร่างกายนั้นอ่ะมณทินนั้นจะนําออกไปได้ก็ด้วยน้ำนะครับพวกน้ําเป็นต้นเนี่ยนะก็ชาระชะล้างมณทินภายนอกเหล่านั้ น, น, นได้นะครับความสกรปรก8เปื้อนทั้งหลายแล้วเนี่ยนะขนาดห้องน้ําที่มันแปดเปื้อนก็ยังเอาพวกน้ํายาขัดเนี่ยนะครับมาขัดชะล้างไม่หมดนะนะมณทินภายนอกนะครับแม้กระทั่งพวกเบาพวกอะไรเป็นต้นนะนะแต่สังกิเลสหาเป็นเช่นนั้นไม่ นะครับแต่เพราะว่าสังกิเลสมีราคาเป็นต้นที่เป็นมนทินของสัตว์คือเป็นมนทินของจิตเนี่ยนะจะนำออกไปได้ด้วยพระอริยมรรคเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยชำระความเศร้าหมองคือมนทินของจิตเหล่านี้ไม่ได้เลยสมดังที่พระโบราณอาจารย์ท่างหลายกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมหาฤาษี มิได้ตรัสไว้ว่าเมื่อรูปเศร้ามองแล้วคนทั้งหลายก็จะเศร้ามองเมื่อรูปบริสุทธิ์แล้วคนทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์นะคคือความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายนะครับแต่พระผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้ามองแล้วคนทั้งหลายก็จะเศร้ามองเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคนทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์นะครับเอาจิตเป็นประมาณเอาจิตเป็นเกณฑ์นะครับ ย่งองถ้าเราสังเกตหรืออ่านในคัมภีร์แล้วนะครับพวกตำราโหราศาสตร์เป็นต้นเนี่ยใช่ไม่ได้เลยนะครับในสมัยพุทธกาล<ม>ถามว่าทำไมครับเพร่อผ้าอรหันต์บางองค์เนี่ยรูปร่างก็ไม่ได้ถือถือดูภายนอกแล้วไม่เนี่ยหน้าเลื่อมใสอะไรบางงั้นเถอะแต่ท่านมีอรหันต์อยู่ข้างในใจนะครับนะมันแม้แต่กระทั่งหมูพพ่ผ้าภิกษุเองก็ยังตำหนิยังดูแคลนท่านเลยนะเพราะฉนนั้ความเป็นพระอริยะบุคคลของสมัยนั้นที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายจริงๆ โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจะบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าพึงปฏิบัติเพื่อชําระมนทินแห่งจิตจึงตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายมนทินแห่งจิตเหล่านี้มีสามอย่างหมายว่ามันชําระได้นะครับ ถึงมันจะเป็นของไม่ดีเป็นของศกรปรกหมักห ม, มมอยู่ในภายในแต่ก็ชำระออกได้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าก็อากุศลมูลมีโลภะเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในจิตของสัตว์ทั้งหลายจะทำความเศร้ามองมาให้คือจะเสริมสร้างความเศร้ามองนานับปรกรนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นมนทินของใจฉันใด โลภะเป็นต้นเหล่านั้นก็ฉ น, นั้นครั้นเกิดขึ้นในสัตว์นั่นเองจะนำอนัตตะคือสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์น า, นานาชนิดมาให้จะให้เกิดทุกนานับประการแก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนอมิตรและศัตรูที่กินร่วมกันนอนร่วมกันก็คอยหาโอกาสอยู่ฉะนั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าอันตราอมิตรตาดังนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะ เป็นศัตรูเป็นข้าศึกที่คอยจ้องคอยเล่นงานอยู่ตลอดเวลาในบรรดาอะมิตรเป็นต้นเหล่านั้นนะครับชื่อว่าอะมิตรเพราะตรงกันข้ามกับมิตรมิดเนี่ยนะคือคนที่คอยคิดสแสวงหาประโยชน์ทั้งหลายให้แก่มิตรถ้าอะมิตรก็คือสแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โดยประการต่างๆแก่ศัตรูหรือแกอ่อะมิตรนะครับที่ชื่อว่าศัตรูเพราะเขาทําหน้าที่ของศัตรู ที่เชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตเพราะว่าเบียดเบียนนะครับตัดหัวอันนเพชฌฆาตเขาว้ตัดหัวใช่ไหมอันนี้ก็ตัดศีรษะจากกุศลเหมือนกันนะครับกุศลไม่เกิดเลยนะถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะครับกุศลเกิดไหมล่ะไม่เกิดนะครับบารมีมีสิประการนะครับทานศินเนฆามีสักอย่างนะครับแล้วโลภะเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นฆาสึกคือเป็นฆาศึกโดยตรง เพราะฉะนั้นในบทว่าอันตรามิตรานั้นเพิ่งทราบความที่กิเลสมีโลภะเป็นต้นเป็นอามิตรเป็นต้นโดยอาการสองอย่างเออมันมันทำงานสองชนิดนะครับถามยังไงอธิบายว่าบุคคลผู้มีเวรเมื่อได้โอกาสก็จะตัดศีสะของคู่เวรด้วยศาสตราบ้างยังอนัตถอยางใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นโดยอุบายบ้างและโลภะเป็นต้นเหล่านี้ก็จะยังอนัตถะเช่นนั้น หรือมีกําลังมากกว่านั้นมากกว่าเป็นมนุษย์มนาที่เป็นศัตรูกันอีกนะครับให้เกิดขึ้นโดยตัดรอนศีรษะคือปัญญานะครับตัดกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญาชานะปัญญาเป็นต้นทิ้งซะนะครับแม้กระทั่งตัดอรรยมรคปัญญาออกไปโดยมอบกําเนิดให้นะครับถามว่าเป็นอย่างไรอธิบายว่าเมื่ออิฐารมเป็นต้นมาสู่คลองจากสุทวาน มาเช่นภาพงามๆเนี่ยนะครับมาโผล่ออกมาเนี่ยนะครับวิวทิ ว, วทัศน์ที่งดงามทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับสถานที่ปาถนาจะดูมานานแล้วเนี่ยนะครับอารมณ์ที่สำนวนว่าเห็นแล้วประทับใจเลยเนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าจิตนี่วันไว้เหมือนธงเลยนะเพราะฉะนั้นความโลภเป็นต้นก็จะปรารบอิทธารมณ์เป็นต้นเหล่านั้นเกิดตามสมควรนะครับ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สีรษะคือปัญญาของเราก็จะชื่อว่าถูกบันทอนแล้วนะครับหัวคือปัญญานี่หลุดไปแล้วครับขณะนั้นขณะที่เห็นภาพนะครับนั้นตาศพพบตาเสือเป็นต้นเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละครับเมื่อตาหันก็ะตาปัญญานี่หลุดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโลภะเกิดเมื่อไหร่โอ้ยอย่างนี้เองคนตาไอ้ค น, ค, นคอขาดเหมือนกันคนหัวขาดปัญญาขาดแล้ว พราขณะที่โลผ้าโทสามโมหะเกิดขึ้นเราโอ้ศีรษะของเรานี่หลุดแล้วนะครับเหลือแต่ร่างกายดีนั่นเนี่ยพระผู้มีพระภาคให้เครื่องทรงเอาไว้นะครับให้สมณะเพศทําไม่อย่างนั้นเนี่ยหลุดไปนานแล้วนะครับเนี่ยสังเกตดูจากความฝันอย่างนั้นพิพิจารว่ากันแม้ในโสตะทะวารเป็นต้นก็ในนี้นะครับในเสียงที่ไพเราะนะครับพระลูกเจ้าเรียกลับมานะอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกพนันทาะ น, นะครับเพราะศีรษะคือปัญญาขณะที่นึกถึงถ้อยคําทั้งหลายเหล่านี้ก็หลุดหมดนะครับ เพิ่งทราบความคล้ายคลึงกันแห่งอมิตรเป็นต้นโดยการบรรทอนสีสะคือปัญญาด้วยประการดังพันณ า, นา ม, มาชนีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคําสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศไว้นี่นะครับขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดเนี่ยคสอนเหล่านั้นก็ระลึกไม่ได้นะครับถ้ายิ่งโทสะเกิดด้วยยิ่งอาจจะก้าวร้าวในคาสอนอีกนะครับแต่โลภะเป็นต้นนะครับ ที่เป็นอากุศลมีกรรมเป็นเหตุนะครับคือเป็นเหตุแห่งกรรมหรือว่ากรรมที่สัมพยุตกับโลภะอันนั้น น, นะจะนําไปสู่กําเนิดทั้ง4คืออันตชรชกําเนิดเป็นต้นเป็นประเภทนะครับก็จะนําไปเกิดในไข่เกิดในครันแล้วก็เกิดในของสกปรกหรือว่าเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะนี่อย่าไปทึ่งดีใจนะครับเพราะมีหลายประเภทนรกก็โอปปาติกานะครับเปรตบางพวกก็โอปปาติกะเพราะฉะนั้น บางทีก็เกิดในโอปปาธิกะนะครับภัยอย่างใหญ่หลวง25ประการที่มีการเข้าไปสู่กมเนิดเป็นมูลนะครับและกรรมกรอีก3 2ประการเช่นถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยถูกตัดแขนตัดขาตัดลิ้นเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะมาถึงเขาทีเดียวนะครับที่เห็นๆกันอยู่นี่แหละครับที่มนุษย์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษเนี่ยนะแม้กระทั่งพวกที่พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ถูกลงโทษ ความคล้ายคลึงกันแห่งอมิตรเป็นต้นของกิเลสมีโลภะเป็นต้นเหล่านั้นพึ่งทราบแม้การมอบกำเนิดสี่ให้โดยประการอย่างนี้ดังนั้นจึงเป็นอันว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วด้วยคำเมียที่ว่าอันตราอมิตรเพราะความคล้ายคลึงกันแห่งอมิตรเป็นต้นและเพราะความที่ เกิดขึ้นในจิตนะครับโอ้โหเป็นศัตรูที่เข้าถึงข้างในได้ลึกซึ้งมากนะครับนะถ้าโจรเข้ามาอยู่ถึงบ้านนี่ก็นับว่าโอ้โหเข้ามาล้าลึกเลยนะแต่ว่าโลผ้าโทสะ ม, มันแซกในจิตเลยนะครับแทรกในความคิดเลยมันไม่ธรรมดาอีกอย่างหนึ่งความโลภเป็นต้นเนี่ยนะครับย่อมกระทําได้ซึ่งสิ่งที่อมิตรไม่สามารถกระทําได้และความเป็นอมิตรเป็นต้นก็เกิดจากความโลภเป็นต้นนะครับศันะตรูไม่สามารถ ทำได้ขนาดโลภะเป็นต้นนะครับแล้วก็ศัตรูทั้งหลายก็เกิดจากความโลภเป็นต้นนั่นแหลเพราะฉะนั้นพึงทราบความที่อกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นอมิตรเป็นต้นสมจริงดังที่พงษ์ตรัสไว้ว่าจอมโจรเห็จนจอมโจรหรือคู่เวรเห็นคู่เวรแล้วพึงทําความพินาศอันใดให้กันจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทําให้เขาเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกนะครับจิตที่ตั้งไว้ผิดนะจิตที่เป็นมิจฉาปณิธิตั้งไว้ผิด ผิดแค่ไหนครับตั้งไว้ว่าเช่นจักไม่ให้ทานจักไม่รักษาศีลจักไม่ฟังธรรมจักไม่เจริญภาวนาเนี่ยนะครับจักไม่คบหาสมาคมพิสู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับจักไม่อาม่านทตาวิดกันนั้นนะัลท้าตั้งจิตไว้ผิดประเภทนี้ก็เลวกว่าจอมโจรเห็นจอมโจรอีกนะครับเลวกว่าคู่เวรเห็นคู่เวรอีกนะครับเลวมากนะครับจิตเนี่ยนะครับ เพื่อทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายคาถาที่พระองค์ตรัสว่าความโลภนะครับให้เกิดความชีพหายความโลภทําจิตให้กําเริบชนย่อมไม่รู้สึกโลภะนั้นอันเกิดแล้วในภายในว่าเป็นภัยคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์คนโลภย่อมไม่เห็นธรรมโลภะครอบงํานรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็ผู้ใดละความโลภได้ขาด ย่อมไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภอันอริยมักย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะนั้นนะครับมีนิช้ในคาถาว่าความโลภเนี่ยนะครับชื่อว่าอนัตถะโนเพราะยังอนัตถะให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่นนะครับนี่นะมันยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวเองด้วยนะครับให้แก่ผู้อื่นด้วยสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าคนโลภ ก่อกำแม้ใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลนะครับเออขณะที่โลภะคิดขึ้นอันนั้นก็เป็นมโนกรรมใช่ั้ยครับเป็นอกุศลถ้าโลภะเป็นเหตุให้พูดว่าจีกรรมก็เป็นอกุศลโลภะเป็นเหตุให้มีการยืนเดินเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นอกุศลอีกคนโลภถูกความโลภครอบงำแล้วมีจิตถูกความโลภกลุ่มรุมแล้ว ย่อมก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงด้วยการฆ่าด้วยการจองจําด้วยการให้เสื่อมเสียด้วยการติเตียนหรือด้วยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกําลังตั้งอยู่ในกําลังแม้ฉันใดแม้ในข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดจากความโลภมีความโลภเป็นเหตุ มีความโลภเป็นแดนเกิดมีความโลภเป็นปัจจัยเหล่านั้นย่อมมีแก่บุคคล น, นั้นด้วยประการชนนี้นะครับพูดถึงตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงในธรรมบทนะครับที่กล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่งไปอยู่รักษาศีลที่วัดพอรักษาศีลเชาามานี่นะครับพวกทหารมันต้นมาเห็นแล้วก็จับมาไปตัดคอนะครับ คือว่าคนนี้ไปปล้นมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่จริงแกฟังธรรมทั้งคืนตื่นช้านะพอออกจากวัดไปก็ถูกจับไปตัดหัวทีนี้ก็บอกว่าโอ้ไม่สมควรเลยนะไม่สมควรเลยฟังธรรมทั้งคืนมาแล้วถูกจับไปตัดหัวแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พระองค์ฟังพระองค์ตัดว่าไม่สมควรจริงอยู่ในชาติเนี่นะแต่ก็สมควรแกกรรมแล้วในอดีตวันก็เล่าว่าเออในอดีตชาตินี่นะครับ พระราชาแต่งตั้งเขาให้เป็นราชประรลบคอยพาคนข้ามดงทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสามีพัญยาคู่หนึ่งนะครับสามีหนุ่มพัญยาสาวผ่านมาเนะจ้าหน้าที่คนนี้ที่รับการแต่งตั้งก็อยากได้ภรรยาเขานะครับก็วางแผนฆ่าผัวค่ะวางแผนฆ่าผัวเพื่อจะครองเมียนะครับเพราะในความโลภอันนี้เกิดขึ้นก็จะทำบาปกรรมอีกหนักหนาสาหัสนะครับ หรือแม้กระทั่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยนะครับประพาดเมืองไปเห็นภรรยาชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะครับงามมากถึงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับจนถึงก็เอาผัวเนี่ยมาทำงานในวังนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดก็จะตัดหัวทิ้งนะครับเพราะอยากได้เมียเขานะอันลักษณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับในความโลภที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพาวิบัติพาให้เกิดความเสียหายมหาศาลขึ้นนะครับ แม้คําอื่นก็ตรัสไว้เมียธิว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ที่กําหนัดแล้วแหลถูกราคาครอบงามแล้วมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมแล้วคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนบ้างนะครับคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างย่อมเสเวยทุกโทมนัดแม้ทางใจนะครับพวกนี้ก็เช่นผู้ที่ถูกความรักครอบงามเนี่ยนะครับ พ่อแม่มาขัดขวางก็ฆ่าตัวตายกันทั้งหลายแลเนี่ยนะครับก็ลักษณะนั้นนะเอาโลภแบบหยาบๆหน่อยนะครับขวางกั้นนะ่นนะถือว่าฝ่ายตรงข้ามไปแต่งงานที่อื่นเนี่ยนะครับตัวเองทั้งนี้ก็โอ้ฆ่าตัวตายเลยลักษณะนี้ก็เนื่องจากความโลภที่ไปหลงรักหลงติดนั่นแหละบทว่าจิตตปโกธโนความว่ายังจิตให้สะเทือนนะครับยังจิตให้กำเริบนะกำเริบแค่ไหนครับก็มันสะเทือนแล้วมันวันไวแล้วอธิบายว่า ความโลภเมื่อเกิดขึ้นในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโลภจะยังจิตให้สะเทือนให้วันไวให้เปลี่ยนแปลงให้ถึงความพิการเกิดขึ้นไม่ให้เป็นไปด้วยความสามารถแห่งความเลื่อมใสเป็นต้นนะครับเพราะนนั้ขณะที่โลภกรรเริบเกิดขึ้นนะครับสัปทานเนี่ยหายหมดเลยนะครับวิริยะก็หายสติก็หลุดนะครับสมาธิก็ไม่เกิดนะครับเพราะอะไรไ สมาธิไม่เกิดก็คือถูกโลกกับโลกกระทนี่ครอบงำแล้วนะครับเพราะได้อารมณ์ที่น่าปรานานะครับความโลภจึงเกิดเพราะฉะนั้นโลกกระทำก็กลุ่มรุมแล้วั้นจิตก็วันไว้จิตก็เปลี่ยนแปลงนะครับมันเสื่อมจากศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเสื่อมจากแนวทางแห่งพระอริยะทั้งหมด